บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็อขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระพูมีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ธรรมอันประภูมิประภักจ้าปัตรดีแล้วสันดิิโกเป็นธรรมอันภูปฏิบัติได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกเป็นธรรมไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกเป็นธรรมควรเรียกให้มาดู อปะณะอิโกโเป็นธรรมที่พึงน้อมเข้ามาก็คือน้อมใจเข้ามาสู่ธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาสู่ใจเพราะจิตใจนี้เป็นธาตุรูปและเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องและธรรมะก็เป็นสัจธรรม คือธรรมะที่เป็นความจริงเป็นของจริงของแท้และเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์นำให้ออกจากทุกได้ดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นธรรมะกับจิตใจจึงเป็นธรรมชาติที่คู่ควรกันคือน้อมเข้ามาสู่กันได้ ได้แสดงถึงการน้อมจิตใจเข้าสู่สติปัฏฐานที่ตั้งสติในข้อกายในข้อเวทนาและก็จะได้แสดงต่อในข้อเวทนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ ทำสติคือความระลึกกำหนดเวทนาให้รู้เวทนาทั้งนี้ก็ต้องอาศัยน้อมจิตนี้เองกำหนดเวทนาจึงเป็นสติที่ตั้งในเวทนาและเวทนานั้น ก็มีสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขเป็นกลางกลางหรือที่เรียกว่าอุเบกขาบ้างมีสามดังกล่าวแต่ในที่อื่นได้มีตัดแสดงเวทนาไว้เป็นห้าคือสุขเวทนาเวทนา เป็นสุขทางกายทุกขเวทนาเวทนาเป็นทุกขทางกายโสมนัสเวทนาเวทนาเป็นโสมนัสคือสุขทางใจโทมนัสเวทนาเวทนาเป็นโทมนัสคือทุกขทางใจและอุเบกขาเวทนา คือเวทนาที่เป็นอุเบกขาอันหมายถึงเป็นกลางไม่ใช่สุกกายไม่ใช่ทุกกายไม่ใช่โสมนัสสุขใจไม่ใช่โทมานัสทุกใจก็เป็นอันเดียวกันกันกบทุกขขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่ ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเองและได้สัจสอนให้รู้จักเวทนาที่ประสบอยู่ที่สเสวย อ, อยู่สุขก็ให้รู้ทุกข์ก็ให้รู้ไม่เกิทุกข์ไม่เกิสุขก็ให้รู้ทั้งทางกายทั้งทางใจและที่เป็นสามิตรมีเครื่องล่อคือ มีอารมณ์รูปเสียงเป็นต้นที่นานิกาไครปรารถนาพอใจเป็นเครื่องล่อคือประกอบไปด้วยหรือว่านำให้เกิดขึ้นจึงเกิดเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขขึ้นอันประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องล่อให้บังเกิดขึ้นนั้น เด็กวัา ส, สามิตรหรือเป็นนิรามิตรไม่มีสิ่งที่น่ารักใครปรารถนาพอใจดังกล่าวนำให้เกิดขึ้นก็ให้รู้และได้ตรัสสอนไว้ในสลายตนาวิพังก<ม>สูตรตรัสเรียกอีกชื่อหนึ่ง<ม>ว่าเคหะ เคหสิตะอาศัยเรือนกับเนคขมมะสิตะอาศัยเนคขมมะคือการออกจากเรือนที่เป็นเคหสิตะอาศัยเรือนโดยความก็คือเป็นสามิตรนั่นเองส่วนที่เป็นเนคขมมะสิตะอาศัยเนคขมมะการออกจากเรือน โดยความก็คือเป็นนิรามิตนั่นเองซึ่งนำให้เกิดสุขหรือทุกหรือเป็นกลางกลางไม่ทุกไม่สุขซึ่งเป็นตัวเวทนาได้ทั้งที่เป็นไปทางกายทั้งที่เป็นไปทางใจและได้ตรัสอธิบายไว้อีกว่าที่เป็นสามิต หรือที่เป็นเคหะสิตะอาศัยเรือนนั่นก็คือคิดนึกตรึกตรองถึงรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผลตภัณสิ่งถูกต้องบ้างเรื่องราวทั้งหลายบ้างซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสคือความ ยินดีพอใจก็ใดแก่คิดนึกตึกตรองถึงรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวนั้นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายที่กำลังได้อยู่หรือที่เคยได้มาแล้วอันเป็นฝ่ายโลกามิตรคือเป็น เครื่องลอ่อเครื่องชักจูงใจให้ติดให้ยินดีของโลกเมื่อเกิดโสมนัสขึ้นนี่แหละก็คือเป็นโสมนัสเวทนาหรือสุขเวทนาที่เป็นสามิตรคือมีอามิตรวัตถุที่เป็นเครื่องจูงใจ ให้ติดให้ยินดีของโลกเป็นเครื่องชักจงให้บังเกิดขึ้นลอให้บังเกิดขึ้นก็เป็นสุขเวทนาที่มีอามิตรหรือเป็นโสมนัสเวทนาที่อาศัยเรือนแต่เมื่อไปนึกตึกตรองถึงเรื่องทั้งหลายดังกล่าวนั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมันั์คือความเสียใจความทุกข์ใจตอนใดแกคิดนึกติดตรองถึงเรื่องเหล่านั้นที่ไม่ได้ตามที่อยากจะได้อยู่ในปัจจุบันหรือที่เคยไม่ได้มาแล้วในอดีตก็เกิดโทมนั์ขึ้นนี่ก็คือเป็น โทมนัตเสวทนาหรือทุกขเวทนาที่เป็นสามิตรมีอมิตรเป็นเครื่องล่อหรือเป็นเคหสิตะโทมนัตโทมนัตที่อาศัยเรือนและเมื่อนึกคิดตึกตรองถึงเรื่องทั้งหลายดังกล่าวมานั้น แต่ว่าไม่พอที่จะให้เกิดสุขหรือทุกขโมมนัสหรือโสมนัสก็เกิดความรู้สึกเฉยๆเป็นอุเบกขาเหมือนอย่างอุเบกขาคือเฉยๆของสามัญชนทั่วไปที่เมื่อคิดนึกตึกรอง ถึงเรื่องอะไรอะไรที่เป็นเรื่องไม่พอที่จะให้เกิดสุขหรือทุกโสมนัสหรือโทมนัสก็เฉยๆเรื่อยๆเป็นไปเองโดยปกติธรรมดาของสามั ญ, ญชนดังนี้ก็เป็ น, นทุกขคขมสุขขเวทนา ที่มีอาิต t h เป็นเครื่องล่อคือให้เกิดเป็นอุเบกขาขึ้นหรือเป็นอุเบกขาที่เป็นเคหะศิตะคืออาศัยเรือนส่วนเมื่อระลึกตรึกตรองถึงเรื่องดังที่กล่าวมานั้น และก็ได้พิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันก็ดีหรือที่ล่วงไปแล้วก็ดีล้วนเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นได้ดังนี้เกิดโสมนัสขึ้น เกิดสุขขึ้นก็เรียกว่าเป็นสุขที่เป็นนิรามิตไม่มีอมิตเป็นเครื่องล่อหรือว่าเป็นโสมนัสที่อาศัยในคขมมะคือการออกจากเรือนแต่ว่าเมื่อพิจารณาเห็นดังกล่าวนั้นแล้วก็เกิดคิดขึ้นว่า เมื่อไรหนอเราจึงจับพ้นจากความทุกข์เพราะเรื่องทั้งหลายดังกล่าวนั้นได้เหมือนอย่างพระอริยะทั้งหลายที่ท่านมีจิตใจพ้นแล้วจากทุกมาดูตัวเองว่ายังต้องเป็นทุกข์อยู่ต้องเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนท่าน อยากจะเป็นสุขเหมือนอย่างท่านแต่ก็ยังไม่ได้ก็เกิดโทมนัตใจขึ้นมาทุกใจขึ้นมาดังนี้ก็เป็นทุกข์ที่เป็นนิรามิตรหรือโทมนัตที่อาศัยในคขัมมะคือการออกจากเรือนแต่ว่าเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น คือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายแม้ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจซึ่งกำลังประสบอยู่หรือว่าที่เคยประสบมาแล้วล้วนเป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจิตใจก็วางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ดังนี้ก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาที่ เป็นนิรามิตหรือว่าที่เป็นเนคขมติตะอาศัยเนคขมมะคือการออกจากเรือนจะเป็นไปดังนี้ได้ก็ต้องอาศัยน้อมใจนี้เองเข้ามาสู่เวทนาประกอบด้วยสติความระลึกกำหนดและญาณหรือปัญญาที่พิจรารณา อย่างรู้ควบคู่กันไปคือน้อมใจเข้ามาสู่ธรรมะหรือว่าน้อมธรรมะเข้าสู่ใจในเรื่องของเวทนาและนอกจากนี้ยังได้ตรัสสอนถึงวิธีน้อมใจเข้าสู่สติปัญญากำหนดรู้เวทนาเป็นปฏิบัติธรรม สำหรับที่จะใช้เวทนาอย่างละเอียดเป็นเครื่องละเวทนาอย่างหยาบไปโดยลำดับกล่าวคือเมื่อประสบโสมนัสเวทนาที่อาศัยเรือนหรือสุขเวทนาที่มีอมิตรคือว่าเมื่อในประสบ รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะสิ่งถูกต้องและเรื่องราวจินนาักใครปรารถนาพอใจอยู่ในปัจจุบันหรือเคยได้ประสบมาแล้วและก็คิดนึกตึกตรองถึงอยู่ก็ได้โสมนัสได้สุขขึ้นดังนี้ก็เป็นโลกามิรสุข หรือสามิตรสุเป็นเคหศิตะโสมนัสความสุขใจยินดีพอใจที่อาศัยเรื่อนอันเป็นธรรมดาโลกที่เป็นไปอยู่เมื่อเป็นดังนี้ก็ตรัสสอนให้มาปรรบพิจรารณาสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้เกิด สุขโสมนัสเหล่านั้นว่าทั้งหมดนั้นล้วนเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงเป็นทุกต้องแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงไปให้เห็นสัจจะคือความจริงในสิ่งเหล่านั้นว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นดังนี้ก็จะเกิด สุกโสมนัสเวทนาขึ้นเพราะเหตุที่มองเห็นสัจจะคือความจริงของสิ่งเ่านั้นว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าได้มาปฏิบัติทำให้เกิดสุขโสมนัสที่เป็นนิรามิต ไม่มีอมิตรเป็นเครื่องล่อหรือที่เป็นเนคขมัสติตะอาศัยเนคขมะคือการออกจากการติดใจยินดีออกจากเรือนมาเป็นเครื่องละสุขสมานัตที่เป็นสามิตรที่เป็นโลกามิตรที่เป็นเคธาติตะอาศัยเรือนดังที่กล่าวมาอันหนึง่ง เมื่อต้องประสบกับทุกโทมนัสที่เป็นสามิตรหรือโลกามิตรหรือที่เป็นเคหสิตะอาศัยเรือนคือไม่ได้ประสบกับรูปเสียงเป็นต้นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งเคยไม่ได้มาแล้วคิดนึกตึกตรองถึง ก็เกิดทุกขโทมนัตขึ้นก็เรียกว่าเป็นโลกาเมตหรือสามิตรทุกขโทมนัตเรียกว่าเป็นทุกขโทมานัตที่อาศัยเดือนเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้พิจารณาสิ่งเหล่านั้นมาบรรดารูปเสียงดินรถผลพภะสิ่งถูกต้อง ธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายแม้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาในปัจจุบันหรือไม่เคยได้มาแล้วในอดีตก็ตามหรือแม้ที่ได้ก็ตามทั้งหมดนั้นก็ล้วนเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ท้องแปรแปรวนเปลี่ยนแปลงไปขันภูที่เห็นได้อย่างนี้ เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมย่อมเป็นผู้พ้นจากทุกขโทมนัตทั้งหลายในเพราะเรื่องเหล่านี้ะฉะนั้นควรจะต้องมาคำนึงถึงตัวเองว่าทรเชไหนเราจึงจะได้ความสุขโสมนัสได้ความพ้นทุกขันภูที่เห็นได้อย่างนี้ เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมย่อมเป็นผู้พ้นจากทุกขโทมนัสทั้งหลายในเพราะเรื่องเหล่านี้ดฉะนั้นควรจะต้องมาคำนึงทังตัวเองว่าทาําไหนเราจึงจะได้ความสุขโสมนัตได้ความพ้นทุกข์เหมือนอย่างที่พระอริจเจ้าทั้งหลายท่านได้แต่หากว่า ได้ความพ้นทุกข์เหมือนอย่างท่านก็จะไม่ต้องมาเป็นทุกขโทมนัสอันเกี่ยวกับโลกามิทธ์ทั้งหลายเกี่ยวแก่สิ่งที่อาศัยเรือนอันหมายถึงกรมทั้งหลายในโลกให้บังเกิดทุกโทมนัสเพราะเหตุว่า ไม่สามารถจะทำตัวให้พ้นทุกข์เหมือนอย่างพระอริยะได้ขึ้นแทนดังนี้ก็จะทําให้เกิดทุกขโทมนั์ที่เป็นนิรามิตรที่อาศัยเนคธรรมะคือการออกเป็นเหตุให้ดับทุกขโทมานต์ที่เป็นโลกามิตรหรือที่เป็นสามิตรหรือที่อาศัยเรือนได้ อันหนึ่งก็จะตรัสสอนไว้อีกว่าแม่ได้อุเบกขาอย่างสามั ญ, ญชนทั่วไปเมื่อประสบกับเรื่องเมื่อนึกคิดตรรองถึงเรื่องเหล่านั้นที่กําลังประสบอยู่หรือที่เคยประสบมาแล้วก็ตามอันเป็นกลางๆไม่พอจะให้เกิดทุกข์ไม่พอที่จะให้เกิดสุข ไม่พอที่จะให้เกิดโสมนัตไม่พอที่จะให้เกิดโทมนัตเหมือนอย่างสามัญชนทั่วไปเป็นความรู้สึกเฉยๆเรื่อยๆผ่านไปผ่านไปอันเป็นอุเบขาชนิดที่เรียกว่าไม่ประกอบด้วยความรู้เรียกว่าเป็นสามิตหรือเป็นโลกามิตหรือเรียกว่าเป็น เทธาศิตะอาศัยบ้านเรือนซึ่งมีอยู่เป็นอันมากที่ทุกคนประสบอยู่ก็ให้จับมาพิจารณาว่าแม่เรื่องทั้งหลายเหล่านั้นคือเรื่องรูปเสียงเรีนรสโภชพสิ่งถูกต้องและเรื่องราวทางใจ ที่กำลังประสบอยู่หรือที่ประสบมาแล้วก็ตามอันทํากิจใจให้เป็นอุเบกขาเพราะไม่พอที่จะให้สุขโสมนัสหรือทุกโทมนัสอย่างที่กําลังประสบมันอยู่โดยมากนั้นแม้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรุนเปลี่ยนแปลงไปก็จะทําใจให้เป็นอุเบกขาเหมือนกันคือ วางใจเป็นกลางแต่ว่าเป็น <c oughs> อุเบขาประกอบด้วยความรู้ความรู้ที่พิจารณาให้รู้จักสิ่งเหล่านั้นว่าต้องเป็นเช่นนั้นดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติธรรมให้เกิดอูเบขาที่เป็นนิรามิตรหรือที่อาศัยเนคขมะขึ้นได้ก็เป็นเครื่องละ อุเบกขาที่เป็นโลกามิตรหรือสามิตรหรือที่อาศัยเรือนอันประกอบด้วยโมหะคือความหลงไม่รู้นั้นได้และแม่สุโสมนัตหรือว่าทุกโทมนัตที่อาศัยในคขมะคือการออกหรือที่เป็นนิรามิตนั้นเล่า ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติพิจารณาเพื่อให้บังเกิดเป็นสุขโสมนัสที่เป็นนิรามิตรหรือที่อาศัยเนยคขมะขึ้นโดยไม่นึกมุ่งหมายเทียบเคียงตนเองกับพระอริยะไม่ อาศัยตัณหากระยิมใจอยากจะได้อยากจะถึงความพ้นทุกข์อย่างพระอริยะในปัจจุบันทันทีพิจารณาเพียงให้รูจ้จกักสัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไม่กระยิมอยากจะได้ ศกเหมือนอย่างที่พระอริยะท่านได้เพียงให้รู้จักสัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลายดังกล่าวก็จะเกิดสุขโสมนัสที่เป็นนิรามิตรหรือที่เป็นอาศัยในคขมมะการออกจากเรือนคือออกจากกรมก็เป็นอันละทุกโทมนัสที่อาศัยในคขมมะได้และ แม้เป็นสุขโสมนัสที่อาศัยในคธรมะหรือที่เป็นนิรามิตรก็ยังทําใจให้พุ้งสร้นได้กลายเป็นโลกามิตหรือสามิตรไปได้เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งไปขึ้นไปอีกก็ตัดสอนให้พิจารณาให้ซึ้งลงไปในสัจจะคือความจริง ของสิ่งทั้งหลายที่ประสบอยู่หรือกำลังประสบแล้วว่าล้วนเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปให้ซึ้งลงไปในความรู้สัจจะนี้ก็จะได้อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางเฉยๆคือวางเฉยได้ โดยไม่การโดยไม่เกิดสุขโสมนัสก็เป็นอันวัดดับสุขโสมนัสได้แม้เป็นสุขโสมนัสที่เป็นนิรามิตรหรือที่อาศัยในธรรมะก็ดับได้มาทำใจให้เป็นอุเบคาซึ่งเป็นลักษณะที่ละเอียดกว่าประนีตกว่าอันหนึ่งยังได้ตัดสอนต่อขึ้นไปถึงว่าแม่อุเบคานั้น ก็มีสองอย่างอุเบก ค, คืออุเบกขาที่เป็นนานาภาวะมีภาวะต่างๆกับอุเบกขาที่เป็นเอกภาวะหรือเอกภาพอุเบกขาที่เป็นนานาภาวะมีภาวะต่างๆนั้นก็คืออุเบกขาในรูปบ้าง ในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในผลสัพะคือสิ่งถูกต้องบ้างในนรรมะคือเรื่องราวที่คิดหรือที่รู้ทางใจบ้างอันเรียกว่าฉลังอูเบกขาอุเบกขาอันประกอบด้วยองค์หกดังนี้เป็นอุเบกขาที่ เรียกว่านานาภาวะมีภาวะต่างๆแต่ก็เป็นนิรามิตด้วยกันเป็นเนคขมะสิตาอาศัยเนคามะด้วยกันคือเป็นส่วนดีด้วยกันส่วนที่เป็นเอกภาพาหรือเอกภาพนั้นก็ได้แก่อุเบคาในฉานและที่ตัดชีไว้ก็คือในอรูปฌาน เป็นสมาธิอย่างสงูงจึงจะเป็นอุเบกขาที่เป็นเอกภาวะหรือเป็นเอกภาพเพราะฉะนั้นเมื่อจะปฏิบัติให้สูงขึ้นยิ่งให้สูงยิ่งขึ้นก็ต้องปฏิบัติให้ได้อุเบกขาที่เป็นเอกภาวะหรือเอกภาพ เป็นเครื่องละอุเบกขาที่เป็นนานาภาวะมีภาวะต่างๆและยังได้ตรัสสอนยิ่งขึ้นไปกว่านี้ว่าแม้เป็นอุเบกขาที่เป็นเอกภาวะหรือเอกภาพในฌานก็ยังไม่เสร็จสิ้นจะต้องละตันขาเป็นเครื่องยึดถือ ว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นขั้นปฏิบัติสูงสุดก็คือปฏิบัติเพื่อละตัญหาเป็นเครื่องยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราโดยไม่ยึดอุเบกขาแม้ที่เป็นเอกภาพนั้นต้องปล่อยวางสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาอุเบกขาที่เป็นเอกภาพนั้น ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นการปฏิบัตลิละทันหาเสียให้ได้นั่นแหละจิตจะเป็นที่สุดดังนี้เป็นอันได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติให้เกิดเวทนาที่ละเอียดละเวทนาที่หยาบ หรือว่าปฏิบัติละเวทนาที่หยาบโดยอาศัยเวทนาที่ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับก็นับเรื่องเข้าในเวทนานุปัสนาสติปทานได้ซึ่งการปฏิบัติดังนี้ก็ต้องอาศัยโอปัญิโกน้อมใจเข้าสู่ธรรมะ หรือน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจอาศัยสติความระลึกกำหนดญาณปัญญาความอย่างรู้ในเวทนาและในการปฏิบัติอาศัยเวทนาละเวทนาขึ้นไปโดยลำดับ ต่อจากนี้เขาเขอให้ตั้งใจหวังสุดและตั้งใจตั้งความสอบสืบต่อไป